จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบอยรสัตว์อุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่16กันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำประโยชน์ ให้กับตนและกับผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทตามที่พระพรมมาาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเรากราบว่าบูชาได้ทรงตรัสไว้ในวาระสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จดับขันธปริณิพานทรงประทาน พระปัจฉิมโอวาทว่าสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งเป็นของไม่เทีย่ยงจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอดพระองค์ทรงสอนว่าเราอย่าประมาทในเรื่องเวลาเรื่องชีวิตเพราะมันเป็นของไม่เที่ยมมันมีการเกิดแล้วมีการดับ จะดับไปเมื่อไรก็ไม่มีใครรู้ท่านให้รอยมองเวลาว่าเป็นเหมือนงูใหญ่ที่จะกลืนกินสปปรรพสิ่งสปปรรพสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่ได้ถามตัวเองว่าเรากำลังทำประโยชน์ ให้กับตัวเราและกับประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นหรือเปล่าหรือเรากำลังทำประโยชน์ให้แก่กิเลสตัณหาคือความโลภความอยากต่างๆสิ่งที่เราทำที่เป็นประโยชน์กับกิเลสตัณหาก็คือลาบยนเสรเสริญสุดทางตาหูจมูกลิ้นกายความสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์ชั่วคราว มันประโยชน์ที่ตราบใดมีร่างกายนี้อยู่มีชีวิตที่อยู่เขาก็เป็นประโยชน์กับเราแต่พอร่างกายนี้ตายไปลาภยศเสรเสริญสุขทั้งตาหูจมูกลิ้นกายก็จะหมดไปเราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เลยแต่ประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำ ที่เรียกว่าประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นก็คือการมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่ตนคือใจซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ตายร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ตายแต่ใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตาย หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจก็จะเดินทางต่อไปจะไปสู่สุขติหรือไปสู่อบาย <c oughs> ก็อยู่ที่ว่าได้ทำประโยชน์ทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้กระทำหรือไม่ถ้าได้ทำประโยชน์อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่ง ส, สอนอย่างที่ญาติโยมได้มาทำกันในวันนี้ รับรองได้ว่าตายไปจะต้องไปดีไปสู่ที่ชอบไปสู่สุคติแต่ถ้าไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตายไปก็จะต้องไปอาบายว่าจนกว่าจะใช้บาปใช้กรรมจนหมดถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน ตายไปก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีหรือไม่เช่นนั้นก็ไปรับรางวัลที่สวรรค์ชั้นต่างๆให้เกิดเป็นเทพเป็นพรหมก่อนจนกว่าจะหมดบุญแล้วก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าชาตินี้ถ้ามีรูปร่างหน้าตาก็จะสวยงามก่อนเดิม ฐานะการเงินก็จะดีกว่าเดิมสติปัญญาความรู้ความฉลาดก็จะมีมากขึ้นกว่าเดิมความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะมีน้อยกว่าเดิมเพราะนี่คือเหตุที่จะทำให้ผลต่างๆเหล่านี้ปรากฏขึ้นมานั่นเองเราจึงไม่ควรประมาทในชีวิตไม่ควรประมาท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 ร่วมพ้นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะเตือนสอนใจเราอยู่ตลอดเวลาอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตัดถามพระอานุนว่าอานุนในวันวันหนึ่งเธอระลึกถึงความตายความแก่ความเจ็บซักมากน้อยเพียงไรพระอนุนก็ตอบว่าประมาณสักสามสี่ครั้ง คือเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอานนล์เธอยังประมาทอยู่ถ้าเธอไม่อยากจะปาตั้งอยู่ในความประมาทเธอต้องระลึก ถ, ถึงความแก่ความเจ็บความตายทุกลมหายใจเข้าออกเพราะจะทำให้เกิดปัญญาจะทำให้รู้ทันความหลง ความหลงนี่แหละเป็นผู้ที่สร้างความทุกข์ให้กับเราแต่ถ้าเรามีปัญญารู้ทันความหลงความหลงก็จะไม่สามารถลให้เราสร้างความทุกข์ให้กับเราได้ดังนั้นถ้าเรายังไม่ระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถือว่าเรายังประมาทอยู่ ถ้าเรายังมีความอยากอยู่ไปนานๆนอย่างนี้เรียกว่าเป็นความหลงถ้าเราอยากจะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไปตลอดเวลาอย่างนี้ก็เรียกว่าความหลงถ้าเราไม่อยากจะแก่ก็เป็นความหลงเช่นเดียวกันเพราะความคิดเหล่านี้เป็นความคิดที่สวนทางกับความจริงถ้าเราคิดแบบนี้แล้ว ใจของเราก็จะต้องมีความทุกข์ความกวนกวายความเดือดเนื้อร้อนใจเพราะว่าเวลาที่เราได้สัมผัสกับความแก่ของเราก็ดีหรือของผู้อื่นก็ดีความเจ็บได้ป่วยความตายของผู้อื่นก็ดีหรือของเราก็ดีเราจะเกิดความว้าวุ่นขุ่นบัวกินไม่ได้นอนไม่หลับ รงไม่ลงแต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดเพ่จากสิ่งต่างๆไปเราจะปร่งได้เพราะเรารู้ว่านี่เป็นความจริงเหมือนกับเรายอมรับความมืดกับความสว่างได้เรารู้ว่ามันเป็นความจริงที่เราไป เปลี่ยนแปลงไม่ได้เราจะไปเปลี่ยนให้มีแต่กลางวันอย่างเดียวไม่ได้หรือเราจะไปเปลี่ยนให้มีแต่กลางคืนอย่างเดียวไม่ได้มันมีทั้งสองอย่างมีทั้งกลางคืนและมีทั้งกลางวันเช่นเดียวกับร่างกายของเราเขาก็มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมชาติของเขาเป็นธรรมดาของเขา ถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆแล้วใจของเราก็จะค่อยๆยอมรับความจริงเมื่อยอมรับความจริงแล้วเราจะรู้สึกสบายใจขึ้นแทนที่จะรู้สึกไม่สบายใจกลับจะรู้สึกสบายใจเพียงแต่ในระยะแรกๆเราไม่กล้าคิดเรากลัวเพราะเรามีความเห็นผิดคิดว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายแล้ว จะเป็นการสาบแช่งตัวเราให้แก่ให้เจ็บให้ตายแต่ความจริงความคิดของเรานี้ไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทำให้เราแก่หรือเจ็บหรือตายมันมีเหตุอย่างอื่นถ้าเราคิดว่าความคิดของเราเป็นเหตุอย่างงั้นถ้าเราคิดว่าเราไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วมันจะเป็นจริงตามที่เราคิดหรือไม่มันก็ไม่เป็นจริง เราคิดว่าขอให้ไม่แก่ขอให้ไม่เจ็บขอให้ไม่ตายมันก็ขอไม่ได้ขอให้แก่ขอให้เจ็บขอให้ตายเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาที่จะแก่ที่จะเจ็บที่จะตายมันก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเช่นเดียวกันดังนั้นอย่าไปเชื่อคนทั่วไปที่เขาคิดว่าคิดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นอัปมงคล ขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าที่ทรงจัดว่าการคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเป็นปัญญาแสงสว่างนำทางให้แก่ชีวิตของพวกเราพวกเราคิดดูสิว่าถ้าเราขับรถในยามค่ำคืนแล้วไม่มีไฟสองทางเราจะขับไปได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ ถ้ารถคันอื่นเขาก็ไม่มีไฟสองทางรถของเราก็ไม่มีไฟสองทางเดี <c oughs> ๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องชนกันหรือไม่เช่นั้นก็ต้องแหกโคง้งลุดตกถนนไปเพราะไม่มีแสงสว่างมองไม่เห็นถนนมองไม่เห็นทางฉันใดชีวิตของพวกเราก็เป็นเหมือนกับการเดินทางในตอนกลางคืนเนื่องจากว่า ใจของเราถูกความมืดบอดแห่งโมหะอวิชชานั้นครอบงาจิตใจทำให้เราไม่เห็นว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นมงคลอะไรไม่เป็นมงคล น, นั่นเองแล้วกลับเห็นกับตาเราปัดล้วกลับไปเห็นว่าคิดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องอัปปะมงคล ซึ่งสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาที่รู้จริงเห็นจริงในทุกสิ่งทุกอย่างทรงรู้ว่าการคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายนี้จะช่วยทําให้ใจนั้นคลายกังวลคลายทุกข์ได้นั่นเองถ้าใจสามารถปรงได้ยอมรับได้เรื่องของความแก่ความเจ็บความตาย ใจจะไม่รู้สึกทุกข์กังวลกวายเลยทุกครั้งที่ใจมีความทุกข์วุ่นวายใจเพียงแต่เราเลิกถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ความวุ่นวายใจความกังวลใจต่างๆก็จะหายไปเลยเช่นถ้าเราห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่ัวเขาจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราอเราคิดว่าไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องตายจากเราไป หรือเราต้องตายจากเขาไปเราก็จะหายห่วงหายกังวลหายทุกข์เลยนี่เป็นอาวุธที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องรักษาใจของเราเพราะจะสอนให้ใจของเรานั้นเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไม่ยึดไม่ติดความยึดติดนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ทรมานใจ เวลาเรายึดติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเราจะอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆอยู่กับเราไปตลอดแต่พอมีเหตุการณ์ที่ท้าทายต่อความเป็นความตายเกิดขึ้นมาก็จะทําให้เราเกิดความระส่ำระสายกังวลวุ่นวายใจกินไม่ได้หมองไม่หลับ แต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วว่าเราต้องจากกันเราก็จะได้เตรียมทานไว้เตรียมตัวไว้เหมือนกับคนขึ้นเครื่องบินที่รู้ว่าอาจจะต้องตกลงมาอาจจะไม่จอดเหมือนกับลู่บินทั่วๆไปเครื่องอาจจะดับแล้วมันอาจจะต้องกระโดดออกจากเครื่องเราก็เตรียมร่มชูชีพเอาไว้ พอถึงเวลาที่เราต้องโดดออกจากเครื่องเรามีร่มชูชีพเราก็จะปลอดภัยปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ก็เป็นเหมือนร่มชูชีพที่จะทำให้เราไม่ประมาทนอนใจและไม่ยึดติดไม่อาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากจนเกินไปให้เรายึดติดสิ่งที่เรา ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่เป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงก็คือให้เรายึดติดกับปัญญานี่เองเหมือนกับให้เรายึดติดกับร่มชูชีพเอาไว้อย่าอย่าไปติดกับคนนั้นคนนี้บนเครื่องถึงเวลาที่จะต้องกระโดดออกจากเครื่องแล้วไม่มีใครช่วยใครได้มีแต่ร่มชูชีพของเราเท่านั้นที่จะช่วยเราได้เช่นเดียวกับปัญญา เมื่อเราเกิดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดเวลาที่จะต้องตายไปถ้าเรามีปัญญาเราจะไม่ทุกข์เลยเราจะไปอย่างสบายเราจะเจ็บไข้ได้อย่างสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็เ ร, เราจะสามารถแยกใจออกจากกายได้เราจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ใจใจไม่ใช่กาย กายเป็นอะไรก็ไม่เกี่ยวกับใจกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เกี่ยวกับใจใจไม่ต้องไปเจ็บด้วยร่างกายตายไปกายก็ไม่ได้ใจก็ไม่ได้ตายไปด้วยใจก็ไม่ต้องไปวิตกไปวุ่นวายใจก็ตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในความสุขนี่คือประโยชน์ที่เราควรที่จะสร้างกัน เพราะว่าเมื่อเราได้มีปัญญาระดับนี้แล้วรับรองได้ว่าเราจะมีที่พึ่งเราจะปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆแต่ก่อนที่เราจะได้ปัญญาระดับนี้ได้เราก็ต้องไต่เต้าขึ้นมาจากขั้นทานขั้นศีลขั้นสมาธิ เราถึงจะเข้าสู่ขั้นปัญญาตามลาดับต่อไปเพราะมันเป็นเหมือนบันไดเหมือนเป็นการศึกษาเรียนหนังสือเราต้องเริ่มต้นที่ชั้นอนุบาลชั้นประถมก่อนแล้วถึงค่อยขยับเข้าสู่ชั้นมัธยมและชั้นอุดมศึกษากว่าจนกว่าเราจะได้ไปถึงขั้นปริญญาเอง ไม่มีใครเรียนข้ามขั้นต่อได้ต้องเรียนไปตามขั้นต้องปฏิบัติไปตามขั้นอย่างนั้นขั้นแรกเราต้องทำทานทำจากน้อยไปหามากตอนต้นก็ทาไปตามศรัทธาต่อไปก็เมื่อมีเห็นผลว่าทาแล้วมีประโยชน์ทำให้จิตใจมีความสุขก็อยากจะทำมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุด จะทำจนไม่มีอะไรเหลือเลยจะเก็บไว้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเช่นบางท่านก็ให้บวดเลยแล้วก็ออกบวชเป็นพระเป็นภิกษุณีเป็นแม่ชีกันไปรู้แล้วว่าทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้เวลาใจมีความ พุนวายกับความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้ามีธรรมะมีปัญญาก็จะสามารถดับได้เพียงแต่ปัญญาในระดับที่ให้ทางอยู่นี้จะดับได้ไม่มากพอเท่านั้นเองต้องขยับขึ้นไปอีกขั้นสองสาขั้นเคยต้องเข้าสู่การปฏิบัติธรรมรักษาศีล เจริญสมาธิและปัญญาขั้นต้นเราก็รักษาศีลห้าไปก่อนเช่นปกติวันพระเรามาวัดเรามาสมาทานศีลห้ากันเราก็รักษาศีลห้าไปในวันอาทิตย์ก่อนต่อมาเราก็เริ่มรักษาให้มากขึ้นจากวันพระก็เป็นวันก่อนวันพระวันพระและหลังวันพระจากอาทิตย์ละหนึ่งวันก็เป็นสามวัน พอเรารักษาได้มากขึ้นเท่าไรแล้วจะรู้สึกใจมีความนุ่มเย็นเป็สุขมากขึ้นเราก็จะจะรักษามากขึ้นต่อไปเราก็จะรักษาได้ทั้งเจ็วันส่วนวันพระเราก็รักษาสิงหแปเพิ่มขึ้นไปเราจะตัดความสุขทางกายทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมาหาความสุขทางใจ คือการทำใจให้สมุกเช่นสินข้อสามที่เราได้รับความสุขจากการเสกประเวณีกับคู่ครองของเราในวันพระเราก็จะถือสินอพรรมจันทร์คือจะไม่เสกกามแม้จะเป็นคู่ครองเป็นสามีเป็นภรรยากันวันพระนี้ขอยุติเรื่องความสุขทางกาย ขอให้มาหาความสุขทางใจด้วยการมาทาจิตใจให้สงบนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเราถ้ามไม่ถือศีลบรมาจังเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลาแทนที่จะมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไปหลับนอนกับสามีกับภรรยาของเรา ในวันพระเราจึงอยากจะของดความสุขทางกามแล้วมาหาความสุขทางใจด้วยการถือศีลพรอมจารย์อพรมจริยาเวรมณีส่วนความสุขที่ได้รับจากการรับประทานอาหารก็ขอตัดไปขอรับประทานอาหารพอที่น่างกายต้องกาย คือไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วร่างกายอยู่ได้รับประทานตอนเที่ยงวันนี้ก็พอที่จะอยู่ถึงวันพรุ่งนี้ได้ไม่เดือดร้อนอะไรหรือถ้าอยากจะให้แข่งกว่านั้นก็รับประทานมื้อเดียวคือถ้ารับประทานสองมือ้อสามมือ้อมันก็ยังอาจจะมากเกินไปถึงแม้ว่าจะไม่รับประทานหลังเที่ยงวันไปแล้ว รับประทานมากก็จะมีปัญหาเวลานั่งสมาธิก็จะง่วงเหงาหานอนนั่งไม่ได้หนังท้องตึงแล้วหนังตามันจะหย่อนมันก็คิดจะหาแต่หมอนหาแต่ผูกนอนดังนั้นเราต้องมีการรับประทานอาหารพอประมาณอย่ารับประทานให้หอิ่งมากเจนเกินไป เวลารับประทานแล้วรู้สึกเริ่มใจอิ่มแล้วให้หยุดแล้วให้ดื่มน้ำเข้าไปสักแก้วสองแก้ ว, ก, ก, วก็จะรู้สึกอิ่มทันทีแล้วร่างกายก็จะไม่ง่วงเหนา ห, าหนงนอนเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งได้อย่างสบายจิตก็จะสงบง่ายส่วนความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นการได้ ดูหนังฟังเพลงก็ตัดไปไม่หาความสุขทางความสุขทางด้านบันเทิงไม่หาความสุขทางด้านแต่งเนื้อแต่งตัวหรือใช้เครื่องสำอางใช้น้ำหอมต่างๆอันนี้ก็ตัดไป <c oughs> เพียงแต่อ่างน้ำอาบท่าหวีผ้าหวีผมก็พอแล้ว <c oughs> ไม่ต้องหาความสุขจากการประพรมน้ำหอม หาความสุขจากการแต่งหน้าแต่งตาแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งเนื้อก็แต่งกายก็แต่งแบบธรรมดาชุดขาวอย่างที่เราเห็นกันนี่ก็ก็พอเพียงเพราะการมีเสื้อผ้าอาทร์นี้ก็เพื่อปกปิดร่างกายเท่านั้นเองปกปิดอวัยวะต่างๆป้องกันความหนาวที่จะมาสัมผัสกับร่างกายความเย็น ป้องกันมแมลงต่างๆที่จะมากัดร่างกายนี่คือการใช้เสื้อผ้าอาภรณ์ทางทางทางาศาสนาเป็นอย่างนี้ไม่ได้แต่งกายเพื่อให้สวยงามแต่อย่างใดเพราะความสวยงามที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่สวยที่ใจร่างกายสวยแต่ใจไม่สวยนี้ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วย แต่งกายให้สวยอย่างไรแต่งหน้าให้สวยอย่างไรถ้าใจไม่ซื่อสัตย์สุดจริตจะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยจะไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้แต่ถ้าร่างกายไม่สวยแต่ใจสวยมีแต่คนเข้าชอบอยากจะเข้าใกล้มีใครบ้างที่ไม่ชอบคนซื่อสัตย์สุดจริตหรือมีใครบ้างที่ชอบคนชอบโกหชอ ทุจริตไม่มีใครชอบคนแบบนั้นดังนั้นเราไม่ต้องกังวลเรื่องความสวยเราสวยด้วยศีลศีลห้าศีลแปลนี่แหละเป็นอาภรณ์ของใจทำให้ใจนี่เป็นที่น่าชื่นชมยินดีคบค้าสมาคมด้วยอย่าไปหลงกับความสวยทางกายที่เป็นสิ่งจองปลอม หรือเป็นการจับฉาหลอกต้มคนที่ไม่มีปัญญาคนที่มีปัญญาจะไม่มองแต่ร่างกายอย่างเดียวจะต้องมองไปที่ศีลด้วยมองไปที่ใจด้วยว่ามีศีลมีสัตว์หรือเปล่ามีความเมตตาการุณาหรือเปล่าหรือมีแต่ความโลภโมโทโสังมีแต่ความทุจริตชั่โกอยู่ภายในใจ นี่คือเรื่องของการรักษาสีแปเพื่อตัดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเข้าหาความสุขทางใจส่วนสีข้อที่8ก็คือการไม่หลับ ก, ก็คือการไม่นอนบนฟูกหนาๆเพราะการหลับนอนบนฟูกหนาๆจะทําให้นอนมากเกินความต้องการของร่างกาย ถ้านอนบนพื้นแข็งๆปูเสือ่อปูผ้าเวลาร่างกายนอนหลับพักผ่อนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะพื้นมันแข็งมันไม่สบายมันไม่นุ่มเหมือนกับนอนบนฟูกหนาๆเวลานอนบนฟูกหนาๆตื่นขึ้นมาแล้วน่างกายพอแล้วแต่ใจยังไม่พอกิเลสยังไม่พอ กิเลสยังอยากจะนอนต่อก็หลับต่อไปอีกสี่ห้าชั่วโมงแต่ถ้านอนบ น, พ, นพื้นแข็งๆนี้พอร่างกายได้พักผ่อนสัก4ี่หชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมต่อไปได้มานั่งสมาธิได้สวดมนต์ทำจิตใจให้สงบ เวลาจิตใจสงบแล้วจะรู้สึกว่าไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าได้ความสุขแบบนี้แล้วจะติดใจจะไม่อยากได้ความสุขอย่างอื่นอีกต่อไปจะเริ่มเบื่อกับการอยู่แบบคาระวะอยู่แบบสามีภรรยาจะอยากอยู่แบบพระอยู่แบบนักบวช จะเข้าวัดบ่อยขึ้นหรือถ้าเข้าวัดไม่ได้ก็จะปฏิบัติธรรมที่บ้านมากขึ้นจะไม่สนใจกับความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆวันเวลาก็จะทุ่มไปกับการให้ทานกับการรักษาสีกับการทำสมาธิแล้วถ้าได้เจริญปัญญาดยงที่ได้สอนไว้ในเรื่องต้น ได้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายการพัดพลาจากสิ่งต่างๆว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใจมีสมาธิมีความสุขใจแล้วจะตัดได้ทันทีเลยจะไม่เสียดายเลยจะไม่อยากอยู่ใกล้ด้วยอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะปลีกเว้อยากจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้น ก็รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากกันแล้วถ้าเรามีความผูกพันต่อสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยเราก็จะต้องมีความทุกข์ทรมานใจจนตอนนี้เราเกี่ยวข้องกับใครเกี่ยวข้องกับสามีภรรยากับบุตรธิดากับทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองพอเราได้ข่าว ว่าเราจะต้องตายภายในสามเดือน6เดือนเราจะต้องเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาอย่างแน่นอนเช่นไปหาหมอหมอตรวจว่าเป็นโรคมะเร็งอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนเท่านี้เราก็จะขาอ่อนหมดกาลังใจทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าเราได้มีสมาธิอยู่แล้วแล้วเราได้ปุ๊บเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆ เวลาหมอบอกว่าจะมีเวลาหกเดือนเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยเราคิดว่าดีซะอีกเพราะเราเองคิดว่าอาจจะตายวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าคนไม่ประมาทจะคิดอย่างนี้เสมอว่าความตายอยู่แค่ปลายจมูกหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายแล้วจะหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ อาจจะหยุดในวันนี้ก็ได้เย็นนี้ก็ได้คืนนี้ก็ได้นี่หมอให้เราต้องหกเดือนแสดงว่าเรากำไรต้องเยอะแยะก็จะไม่รู้สึกวุ่นวายใจนี่คือประโยชน์ของการทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและแก่ประโยชน์ให้ตนเองเช่นเราทำบุญให้ทานเราก็ทาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น แต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้รับประโยชน์ทำให้ใจเราปล่อยวางไม่เสียดายทรัพสมบัติข้าของเงินทองไม่ยึดไม่ติดทำให้เราสามารถที่จะรักษาศีลได้ง่ายขึ้นทำให้เราสามารถเจริญสมาธิได้ง่ายขึ้นตองได้ง่ายขึ้นตัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ด้วยการ ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้คือให้เราทำประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็คือให้เราระลึกเสมอว่าเราจะต้องตายเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บไม่ช้าก็เร็วเราจึงไม่ควรประมาวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่ เรากำลังแข่งกับทำแข่งกับเวลาหรือปล่อยให้เวลาค่อยๆกืนกินเราไปทีละ เ, เล็กทีละน้อยจนหมดไปถึงเวลาตายแล้วเราจะทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยและก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาทำประโยชน์อีกและเมื่อกลับมาเป็นมนุษย์ก็อาจจะไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาก็ได้ถ้าไม่ได้เจอพระพุทธศาสนา ก็จะไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับการมาเกิดเป็นมนุษย์จะไม่รู้จักว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทําอะไรเราก็จะมีแต่สะสมกองทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะเราจะถูกความหลงหลอกให้เราทําตามความโลภตามความอยากทําทตามกิเลสตัณหาที่เป็นเหตุที่จะสร้างความทุกข์ให้มีในใจเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเอง ดังนั้นชาตินี้เรามีบุญมีกุศมีบุญเรามีโชคที่ได้พบพระพุทธศาสนาได้เรียนรู้ในสิ่งต่ตางๆที่จะช่วยกำจัดให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์เราจึงไม่ควรปล่อยเวลาอันมีค่านี้ให้ผ่านไปขอให้เราเรบีบตักตวงประโยชน์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ด้วยการระ ล, ลึกถึงความตายอย่างสม่ำเสมอแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขมากขึ้นไปและมีความทุกข์น้อยลงไปอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอยุติไววเพียงเท่านี้ขอคุมพระศีลละจนทร์ร